สาธุ รายการนี้ มีกำลังใหญ่สําคัญของชาติสมัยเป็นหนุ่มก็เป็นนักรบต่อมาหนุ่มน้อยลงมาก็เป็นนักรักรักแสวงหาโชคลาภเป็นคนหาทรัพย์สินส่งพระคังของราชการแต่ท่านหลายเหล่า การเป็นพรหมได้เพราะท่านตายจากความ เรียกว่าจำต้องปรกพระปรกตัวทุกวันทั้งเช้าและเย็นนั่นคือสมาธินักธรรมะนั้นที่ชอบปรกตัวคือนึกถึงพระพุทธเจ้า กำลังใจต้องถึงไปปิติที่เรียกว่าอกิญคาปิติตอนๆทุก ก็ขึ้นเทวาสัพพินังหลายตอนตอนที่ 19 ว่าในเมื่อท่านนําขึ้นมาแล้วท่าน <c oughs> ถ้าจะนําแร่ที่คงพอแต่โดยเฉพาะมากสนใจแต่ไม้ไม่พื้นดินเขาจะ ก็ถามว่าการขุดดินจะท่านใช้ทําได้หรือต้องใช้เวลากันถ้าว่าการขุดดิน ถ้าคนของเราไม่สมคนเกี่ยวทรัพย์ คนเขาทราบทั้งหมดเค้ามีความรู้ในธรณีวิทยา ซึ่งชาวบ้านที่ไม่รู้อีหนูอีนี่ก็คิดว่าถึงความ ถามท่านต่อไปว่าด้านทิศ แต่ท่านมีความเข้าใจว่านักธรณีวิทยาเนี่ยเขาจะทราบ ก็ว่าเมืองกาญจบุรีเป็นเมืองหอมแม้ แต่การถลุงเป็นของยาก จึงว่าพื้นที่ 90% ของเมือง ไม่ใช่รู้แล้วก็แนะนําให้ชาญอินเข้ามารวยความจริงแค่ขุดตื่นแต่ว่าพอเห็นว่ากาลเวลามัน ถ้าบอกดูน้ำมันก็แล้ว 18 เทวดาที่ควบคุม 19 ท่านขอ 520 ได้มั้ยเทวดาปลอกไม่ ผมจะไม่บอกการเวลากับท่านเท่าสมัยะพูดกับเทวดาพูดกับผมต้องตรง <c oughs> เมื่อทราบสิ่งของบิดรไปเรื่องของบิดรเค้านี่เอาล่ะก็ มันมีในเขตกาญจนบุรีมั้ยท่านบอกว่าที่เป็นเม็ดทราย ให้เขาโลคที่สูงๆนั้นถือเป็นหลักชัยมันเป็นเขาๆไปทางเหนือเป็นแร่ที่ต้องนํามาผสมต้อง หามปริมาณบอกชนิดที่การจันทบุรีเนี่ยที่มันเป็นเม็ดทราย มันมันจะเป็นสายมือและสายแรกถ้าว่าเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าตรงนี้เป็นทองแล้วก็เสียบตัว ที่ขุดทางเข้าได้กันวันละกี่สลึงในเขต 20,000 ไร่ในรัชดรณ์ไม่มีคิดจะขุดเอาไปส่วน ทองที่มีเสียงเจียปน 8 บาทให้ 8 บาท <c oughs> อาจจะได้ถึงบาทหรือเกินบาทถ้าสายที่ความสําคัญเข้าถึงสายก็มีแต่บางคนแต่คนเงินบาทก็คึ้มบาทมีค่านอนกินไปได้หลายคนก็ความร่ํารวยมากเห็น เงินจะไม่โพดขี้เกียจโพดราคาโทษก็ถามได้ว่าทางราชการไปทําไมถ้าบอกเวลานั้นภาษีากร การสงครามใช้เงินมากก็ต้องใช้เอาเป็นเครื่องช่วยแร่เงินก็ทําไปทําเงินแท่งซื้อของแร่ทองก็ไปเก็บสํารองแล้วขายชาวต่างประเทศถามว่าเขาส่งขายกับชาวต่างประเทศในการขายบาทได้เท่าไหร่ ก็มากมายเหมือนกันกรุงความสมัยนั้นทองก็แย่อยู่แล้วเอาล่ะผมจะบอกให้ก็ได้บอกมันมีเขาอยู่ จะคิดเป็นลูกไม้โถกมันจุดจุด 1, 1 เด่นออกมาจุดแรกด้านที่ ก็ต้องตัด ถ้าถามๆมากน้อยเท่าไหร่มีปริมาณมั้ยท่านก็ตอบว่าสุริยะเทวดานี่เขาควบ สมมุติว่าเอามาได้ 1 ตัน 1, 1 วันก็ 3 จุด 3 ตันยานีสัก 1 ตันนี่ทําไปประมาณ กล่าวความว่าทองมีมากจริง ในเมื่อเสกกลอนนอนกลางวันภาวนาอยู่คนเดียวมีคนมานั่งข้างๆแล้วมันนั่งบนเตียงที่สักหน่อยเจ้าสัตว์เถอะ ถามว่าเครื่องสังเวยต้องใช้อะไรมาก ท่านจะคิดว่าตรงนี้ขุดได้ถ้าถามเรื่องพื้นแผ่นดินท่านบอก ท่านก็หรอท่านบอกว่า แต่ว่าชอบพอกับพระเจ้าสามพญามากต่างคนต่างเคารพกันคนพ่ออายุแก่เจ้าพระเจ้าเจ้าสามพญาน่ะครับปลายสมัยพระอย่าง เอาครั้งสุดท้ายนี้ป่วยท่านก็เล่าคราวไปหมายเจ้าสัมปยาฟังเพราะอะไรคุณจะทําแบบไหนทรัพย์สินมีที่ไหนวิชาการต่างๆถ้า ในที่สุดท่านก็ต้องตายแต่ก่อนจะ จะขอถวายสนะฐานพระพระมาถึงแล้วก็เอาแค่ให้ถวายให้พรพระสวดพรกับในการนั้นขณะ ท่านเรียกว่าคุณลุงไม่ต้องกราบคุณลุงไม่ ในฐานะที่ จากภาพฐานในการถวายท่าน ในเวลา 12 บาทท่านซื้อ 9 บาทท่านเป็นคนรวยไม่หนักคือ อากาอยากของพระเจ้าสัมปัญญานี้ผมพูดเนี่ยแท้จริงก็เป็นเรื่องของผมเรื่องนี้ทั้ง ท่านก็ไม่เกิดเป็นลูกของพระเจ้า 3 พระญาเป็นลูกผู้ชายแล้วต่อไปจะเป็นใครท่านพรมท่านไม่บอกท่านบอกเวลาหมดแล้ว เป็นของไม่เที่ยงท่านพญาท่านสมัยาท่านเทพยาที่มีความรุ่งเรืองมากแต่ใน สรรพสิ่งหลายก็ไม่สามารถจะระงับความทุกข์ได้แม้ว่าการปล่อยให้มันสมัยเกิดขึ้นซับก็ห้ามปล่อยไม่ได้อันที่สุดอนัตตาซับๆ3 ประการคือเนี่ย 2 ทุกขังเป็นโรคของความทุกข์ 3 อนัตตาเป็นโรค จึงขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงตั้งหน้าเป็นใจคิดว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเจ้าจะมีการเกิดชาติ มั่นใจในการภาวนา 1 นาทีก็ขอลาก่อนขอสมบูรณ์คุณ รวม